มาฟังเรื่องเล่าจากทางบ้านค่ะที่ถูกส่งเข้ามาทาง f เฟซบ o ๊กแฟนเพจประจำเดือนสิงหาคมกันบ้างขอบคุณคุณเอกรัตน์นะคะเป็นเรื่องสั้นเรื่องแรกประจำคลิปนี้ค่ะเรื่องผีเป้านะคะซึ่งตอนนั้นคุณเอกรัตน์อายุประมาณ1 1บเถึงสิปีเรื่องก็มีอยู่ว่าตอนเด็กๆ เ, เนี่ยนะคะคุณเอกรัตน์เองแล้วก็เพื่อนที่ชื่อเปราะ ที่เคยเล่าให้ฟังตอนไปเกณฑ์ทหารแล้วก็ไปกินที่นาเปราะนะคะก็คือไปเจอผีที่ต้นยูคาลิปตัสถ้าหากว่าใครที่เคยฟังเรื่องนั้นเนาะสองคนนี้คือสนิทกันมากค่ะตอนนั้นถ้าเป็นช่วงหน้าหน้าเบ็ดก็คือน่าจะเป็นฤดูการนี้เนาะฤดูการต้นข้าวที่กําลังจะตั้งท้องเนี่ยจะเป็นหน้าปักเบ็ดสองคนนี้ก็จะไปหาด้วยกัน หน้านาปีนั้นนะคะได้ไปปักเบ็ดปลาที่นาของตาในเวลาตอนใกล้ค่าซึ่งการปักเบ็ดเนี่ยคุณผู้ฟังจะต้องปักเสร็จปุ๊บแล้วไม่ใช่ว่าเราจะเก็บเบ็ดได้เลยนะต้องอยู่รอจนดึกจนดื่นเลยนะคะแล้วก็จะต้องมีการยามเบ็ดยามเบ็ดนี่คือการเที่ยวไปดูเบ็ดว่ามีปลากินไหมถ้าปลากินแต่ว่ า, าเหยื่อหายไปแต่ว่าปลาไม่ติดเบ็ดเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนเหยือ่อแล้วก็เปลี่ยนที่ปักใหม่ นะคะทีนี้เนี่ยพอตกดึกสองคนเนี่ยก็ได้ไปยามเบ็ดกันหม้อไฟคนละอันเขาเรียกว่าหม้อแบตนะคะหม้อแบตเตอรี่แบบเป็นแบบแห้งด้วยเป็นแบบเปียกด้วยซึ่งถ้าเป็นแบบเปียกเนี่ยเวลาน้ํากรดรั่วนะคุณผู้ฟังเสื้ออนี้ขาดกันหมดเลยทีนี้นี่แต่ว่าทางไปทุ่งนาก็จะเป็นทางไปป่าช้าทางนี้คือทางหลักเลยเวลาเอาคนไปเผาก็ไปเส้นนี้ไปทําไร่ทํานาก็ไปเส้นนี้กัน แต่ว่าเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยหมู่บ้านยังไม่มีที่เผาศพเหมือนในปัจจุบันนะคะก็เลยเดินไปกันตามปกติสองคนจนถึงทางที่เข้าคันนาค่ะที่ปักเบ็ดไว้คันนานี้เนี่ยเป็นคันนาใหญ่ยาวไปจนถึงวังหินซึ่งวังหินเนี่ยคือสระหลวงที่หลวงขุดไว้เป็นสระใหญ่ของบ้านเราค่ะรองลงมาจากหนองผือที่เคยบอกก่อนหน้านี้สองคนนี่ก็ลงไปดูเบ็ดสักพักหนึ่ง 4-5 ห้าหลังก็สองคนก็สังเกตเห็นว่ามันมีดวงไฟอยู่ที่วังหินนี่แหละนะคะก็เข้าใจว่าเออเป็นคนมาหาปลาด้วยกันก็เลยพูดว่าเปราะไฟไผวะนะคะไฟใครอะ่ะมีคนมาลักยามเบ็ดเราหรือเปล่าเพราะว่าโดนขโมยดูเบ็ดเนี่ยเป็นประจำเลยนะคะก็เออวะน่าจะใช่เปราะพูดก็บอกเอางิปปิดไฟแล้วกัน ไม่ต้องดูแล้วปลาแอบย่องเดินไปดูซิกะว่าจะจับขโมยที่มาแอบดูเบ็ดปลาของเราเนี่ยให้ได้เลยนะคะจับได้แบบคาหนังคาขาประมาณนี้พอเดินไปได้จะครึ่งทางค่ะทางที่ไปสะเนี่ยสคนถึงกับตกใจเพราะว่าไฟที่เห็นเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ทุ่งนาไม่ได้อยู่ที่ท้องนาแต่มันอยู่กลางสะน้ําทีนี้เนี่ยสคนนี่หันมองหน้ากันค่ะแล้วเปราะก็พูดไฟอะไรวะคือ ทำไมมันไปลอยอยู่กลางสะน้ำแบบนั้นเหมือนดวงไฟนั้นเนี่ยมันจะรู้ตัวนะ่ะว่ามีคนเห็นเพราะว่าอยู่ๆไฟที่ลอยอยู่เหนือน้ำเนี่ยมันก็ลอยสูงขึ้นสูงขึ้นจนถึงยอดต้นไม้คือ ย, ยอดต้นยูคาลิปตัสนะคะไฟนั้นก็เริ่มใหญ่ขึ้นอ่ะจากแสงสีเหลืองเปลี่ยนเป็นแสงขนาดหม้อแบตเตอรี่เนี่ยก็เปลี่ยนเป็นสีเขียวสีแดงสีส้มแล้วก็หายวูบไป2คนมองหน้ากันแล้วพูดบอกปะ่ะเมือ่อก็คือปะกลับบ้าน สคนก็เลยไม่ดูและบกเบ็ดไม่เอาและช่างมันกลับบ้านทันทีค่ะพอพ้นทุ่งนาของตาแล้วเปราะกําลังจะพูดถึงเหตุการณ์เมื่อสักครู่แต่ว่าคุณเอกรัตเนี่ยคือห้ามไว้บอกว่ามีอะไรคาใจค่อยคุยกันตอนถึงหมู่บ้านพอเข้าบ้านก็เลยเล่าเรื่องนี้ให้แม่ฟังแม่บอกว่านั่นแหละผีเป้าก็ไม่รู้นะคะว่าผีเป้ามันลอยได้ไหมหรือจะเป็นผีกระสือก็ไม่แน่ใจ ตอนเช้าสองคนไปถึงก็ไปดูเบ็ดกันนะคะประมาณ2องโมงเช้าเลยถึงไม่น่ากลัวเท่าไหร่ถ้ายังเช้าๆอยู่เนี่ยก็ยังคงน่ากลัวอยู่นิดนึงนะคะแต่ก็ลองคิดดูคุณผู้ฟังเด็กปหกสองคนเจอแบบนี้แล้วเนี่ยสติไม่แตกไม่วิ่งก็ต้องยอมใจแล้วละนะคะเอาละขอบคุณมากเลยสําหรับเรื่องนี้นะคะใครที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับผีเป้าผีพงผีอะไรก็แล้วแต่ส่งมาได้นะคะเหมือนคุณเอกรัตนี่แหละนะคะแล้วก็ขอบคุณสําหรับเรื่องสั้นเรื่องแรกประจําคลิปนี้ด้วยค่ะ มีอีกเรื่องหนึ่งค่ะคุณผู้ฟังเป็นเรื่องที่ถูกส่งเข้ามาทาง f c e b o o k f แฟน a g e เช่นกันจากพี่สราวุธนะคะเป็นเรื่องของผีค่ะโชคร้ายที่เจอคนไม่กลัวผีเรื่องนี้เป็นประสบการณ์จริงจากพี่สราวุธเองเรื่องก็มีอยู่นะคะว่าเมื่อ30ปีก่อนเนี่ยคือตอนนั้นพี่สราวุธอายุได้ประมาณ28ปปีก็มีอาชีพเป็นพ่อค้าเร่ขายสินค้าประเภทพวกน้ำยาเคมีทุกอย่างค่ะ แล้วก็มีลูกน้องไปด้วยกันสองคนออกขายสินค้าไปตามต่างจังหวัดมีอ่าที่พักก็พักโรงแรมถูกๆบรรดาพ่อค้าเข้าพักกันนะคะมีอยู่วันหนึ่งค่ะพี่สราวุธกับลูกน้องสองคนเนี่ยได้ไปขายสินค้าที่จังหวัดตากนะคะซึ่งวันนั้นเอง ตัวของพี่สราวุธกับลูกน้องก็ขายสินค้าเกือบหมดรถเลยซึ่งรถนี่ก็เป็นรถกระบะตอนเดียวช่วงยาวใส่หลังคาแครีบอยเวลาประมาณสองทุ่มนะพี่สราวุธกับลูกน้องก็รับประทานอาหารกันที่ร้านอาหารตามสั่งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปหาที่พักกันตามโรงแรมปรากฏนะครว่าทุกโรงแรมนี่มีคนพักจนเต็มไปหมดเลยขับรถไปหารีสอร์ทต่างๆก็เต็มหมด พอถามพนักงานโรงแรมว่าเอ๊ะทำไมห้องพักเต็มหมดเขาก็เลยบอกว่าคืนนี้เนี่ยเป็นคืนประกวดนางนพมาศแล้วก็เป็นการประกวดกระทงใหญ่คนที่อยู่ต่างอาเภอเวลาเขามาเที่ยวงานเขาก็จะมาพักที่โรงแรมก็เลยทำให้ทุกโรงแรมเนี่ยมีคนพักเต็มไปหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงแรม3ดาวสี่ดาวห้าดาวหรือโรงแรมถูกๆ ก, ก็ไม่มีห้องพักทีนี้เนี่ยพี่สราวด์ก็ไม่ได้ท้อนะยังคงหาที่พักต่อไป จนถึงเที่ยงคืนกว่าค่ะก็เผอิญว่าไปเจอโรงแรมหนึ่งที่มีรถพ่อค้าจอดอยู่ที่ลานจอดรถประมาณ 3- าสคันก็เลยบอกลูกน้องว่าหากโรงแรมนี้ไม่มีห้องพักพวกเราจะไปพักที่จังหวัดสุขโขทยัยนะคะหลังจากนั้นก็เลยจอดรถเสร็จก็เดินไปหาแคทเชียที่เคาน์เตอร์ถามบอกน้องมีห้องพักสักสองห้องไหมแคทเชียตอบว่าห้องเต็มค่ะพี่เขาก็เลยย้อนถามว่า ห้องเดียวก็ไม่มีเลยเหรอพนัก ง, งานตอบว่าเธอเธอเธอตอบว่าไม่มีค่ะกับ พ, พึมพำกับตัวเองว่า น, นี่ก็ดึกแล้วคงต้องขับรถไปนอนที่สุขโขทัยแล้วละ่ะเสร็จแล้วก็เดินจากเคาน์เตอร์มาได้ประมาณ3 4มก้าแคทเชียก็เรียกบอกพี่หยุดก่อนค่ะเธอนิ่งไปพักหนึ่งแล้วก็พูดว่ามีอยู่ห้องหนึ่งว่างอยู่พี่หากพี่นอนได้หนูไม่คิดตังนะสงสารพี่ที่จะขับรถไปสุขโขทยัยมันก็ไกลามากเลยซึ่งตอนนี้ก็ดึกแล้วอันตรายด้วย ก็เลยขอดูห้องก่อนว่าจะพักได้ไหมเพราะว่ามากัน3มคนนะคะทีนี้เธอก็กดกริ่งเรียกบอยมาแล้วก็พาพี่เข า, าพาพี่เนี่ยพี่สราวุธเนี่ยนะคะเข้าไปในห้องเบลบอยหรือว่าบอยก็มากัน4คนบอยพูดกับเธอว่าจะดีเหรอเจ๊ก็พูดบอกเอานะพาพี่เขาไปดูก่อนทีนี้พี่สราวุธกับทีมงานเนี่ยนะคะก็เดินตามหลังบอยกันไป ก็เห็นบ่อยเดินเบียดเสียดกันเหมือนจะกลัวอะไรบางอย่างพวกบ่อยก็พากันเดินมาอยู่ที่หน้าห้องห้องหนึ่งเป็นห้องของมุมตึกโรงแรมซึ่งตอนนั้นนะคะลูกน้องที่ชื่อพี่ชัยเนะชื่อคุณชัยนี่แหละก็เดินตามมายืนตั้งนานบอกพวกบ่อยก็ไม่ทําอะไรให้ไม่ยอมเปิดประตูให้ไม่ยอมทําอะไรเลยก็ยืนตัวสั่นกันอยู่นั่นแหละทั้ง4คนเลยดูแล้วก็น่าขําก็เลยถามว่ามีกุญแจห้องไหมบ่อยก็เลยตอบบอกมีครับ อ่ะงั้นเอาไหมาให้พี่เดี๋ยวพี่เปิดเองพี่สราวุธเปิดห้องเสร็จค่ะคือในห้องนั้นนี่มืดมาก mm hmm. ก็เลยถามเบลลบอยถามบ่อยนี่ว่าสวิตไฟอยู่ตรงไห น, น mm hmm. บ่อยก็ตอบสันๆบอกอยู่ข้างประตูครับ mm hmm. ก็เลยเดินเข้าไปเปิดไฟสักพักหนึ่งไฟในห้องก็สว่า ง, ส ว, างสว่างแบบสลัวนะคะเพราะว่าเป็นหลอดไฟนีออนแบบ20วัตต์นะคะหลอดออกจะเหลืองเหลืองซีดๆก็เลยทําให้ไฟมันออกมาแบบสลัวๆมีอยู่หนึ่งหลอดค่ะทีนี้เนี่ย พี่สลาวุฒก็เดินเข้าไปอยู่กลางห้องคนเดียวกวาดสายตามองไปในห้องก็มีเตียงเล็กๆอยู่ด้านในเตียงเดียวที่นอนเก่าๆพื้นเล็กนะคะถูกพับเก็บไว้แล้วก็ที่ติดกับประตูก็มีเตียงเล็กๆอีกหนึ่งหลังนอนได้คนเดียวพอมองดูพวกบอยทั้ง4ี่คนแล้วก็บอกว่าพี่เตียงข้างในนอนไม่ได้นะนอนได้เฉพาะเตียงนี้นะครับคือบอยบอกพี่สลาวุฒไงก็เลยงงอ้าวทำไมล่ะก็มากันทั้ง3คนนอนเตียงเล็กๆนี้ได้ยังไงกันล่ะ บ่อยก็เลยตอบว่าพี่ไม่เชื่อก็ตามใจผมนะผมว่าเตียงนั้นนอนไม่ได้ก็คือนอนไม่ได้สิครับครึ่งโดยส่วนตัวแล้วผมเนี่ยเป็นทหารผ่านศึกนะคะเป็นทหารราบที่สมรภูมิเขาค้อในปี2524ก็ชอบสวดมนต์ไหว้พระอยู่เป็นประจำก็เลยสวดคาถาชินะบัญชรเป็นประจำด้วยนะฮะวันนั้น ยืนหลับตาทำสมาธิอยู่กลางห้องสักพักก็เอ๊ะรู้สึกอากาศในห้องมันกดดันมากรู้สึกอึดอัดมีบางอย่างในห้องที่ไม่เป็นมิรพิสราวดุษฎุมุงค่ะเมื่อมีความรู้สึกว่ามีบางอย่างมาจับที่แขนอ๋อลูกน้องนั่นเองพิสราวดุบอกว่าห้องนี้เนี่ยมันต้องมีผีแน่ๆดูจากพวกบ่อยนั่นสิยืนตัวสั่นกันอยู่ที่หน้านั่นเนี่ย คุณชัยก็เลยเริ่มคุยโวบอกผมน่ยไม่กลัวดอกผีเนี่ยถึงในห้องนี้มีผีผมก็ไม่กลัวอยู่อยู่ที่บ้านคืนไหนผมทะเลาะกับเมียผมก็ไปนอนบนสาราวัดใกล้บ้านซึ่งชาวบ้านเขาไม่กล้าไปนอนบนสาราวัดกันหรอกครับเพราะว่าเขากลัวผีเปรตแต่ว่าผมเนี่ยไม่กลัวคุณชัยคุยค่ะโม้ใหญ่เลยคุณสราบุตรก็เลยตัดสินใจไม่พักเพราะว่าที่นอนมันเล็กเกินไปอีกอย่างหนึ่งนะคะก็มีความรู้สึกว่ากลัวจะเกิดเหตุกับลูกน้อง ก็เลยรีบเอากุญแจเนี่ยนะคะไปคืนที่น้องแคทเชียแล้วก็บอกน้องบอกขอบคุณมากนะทีมงานของพี่สลาวูธค่ะหลังจากที่คืนกุญแจแล้วก็ขอบอกขอบใจน้องๆเขาเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะก็ขับรถออกจากโรงแรมค่ะมุ่งสู่จังหวัดสุขโขทัยต่อไปซึ่งระยะทางก็ประมาณ100กิโเมตรนะคะเวลานั้นเป็นเวลาตีหนึ่งกว่าๆฝนก็เริ่มตกหนักก็ขับรถออกจากโรงแรมก็ต้องแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมรถเนี่ยมันหนักหน้ารถ มันหนักข้างหลังรถหน้ารถมันจะเชิดเชิดขึ้นเป็นเพราะว่าเสริมแหนบหลัง5ตัวก่อนเข้ามาที่โรงแรมกับลูกน้องแล้วก็ขายสินค้าเกือบหมดตัวกระบะยกสูงขึ้นแต่ว่าทำไมตอนนี้เนี่ยกระบะรถมันแอน่นเหมือนบรรทุกของหนักเป็นตันๆก็เลยรีบเร่งความเร็วของรถได้แค่50กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นขับรถออกมาจากจังหวัดตากได้ประมาณ30กิโลเมตรค่ะเวลานั้นฝนตกหนักมาก ฟ้าผ่าฟ้ า, ฟ า, ฟาแลบกันเป็นระยะนะคะถนนที่ขับมาเนี่ยมันก็เป็นถนนสองข้างทางที่มันเป็นป่าสักที่ยังมีอยู่หนาแน่นถนนที่รถวิ่งตอนนั้นก็เป็นถนนเส้นเดียวแบบเลนส่วนนะคะซึ่งเวลานั้นมีรถของพี่สราวุฒิแค่คันเดียวที่วิ่งอยู่บนถนนก็เปิดไฟสูงวิ่งค่ะวิ่งอยู่กลางถนนที่มันมืดมากไม่มีแม้กระทั่งไฟฟ้าสองถนนรถของพี่สราวุฒิเนี่ย แอร์ก็ดันมาเสียก็เลยต้องเปิดกระจกข้างคนขับเพื่อให้อากาศระบายในรถนะคะแล้วก็ใช้ผ้าขนหนูผืนเล็กเนี่ยเช็ดหน้าเช็ดตาเช็ดกระจกรถตลอดเวลาเวลานั้นประมาณตี3ฝนก็เริ่มซาแล้วหละนะคะแต่ว่าฟ้าก็ยังแรบแร บ, แร บ, แร บ, แรบสว่างสวัยไปทั่วถนนลูกน้องสองคนเนี่ยหลับไปแล้วเรียบร้อยค่ะพิสราวุธเองก็เริ่มโมโหเริ่มไม่พอใจว่าทาไมรถมันถึงเร่งไม่ขึ้นนะท่านใดนั้นเองคุณผู้ฟัง พี่สราวุฒบอกต้องสะดุ้งสุดตัวเมื่ อ, อจนจนมือเนี่ยเผลอปล่อยพวงมาลัยรถแล้วก็รีบจับพวงมาลัยรถไม่ให้มันเกิดอุบัติเหตุเนะเพราะว่ามันมีเสียงตะโกนอยู่ข้างหูเสียงตะโกนดังมากเลยบอกเฮ้ย hey รีบผันไปดูค่ะผีคุณผู้ฟังมีผีค่ะผีอยู่บนรถมันห้อยหัวลงมาเอาใบหน้าผีเนี่ยเต็มหน้าต่างรถเลย พี่สาวุฒบอกโมโหมากรีบแกะผ้ายันที่มัดไว้ที่พวงมาลัยรถเนี่ยเอามาพันมือแล้วต่อยออกไปเต็มแรงจนสันมัดเนี่ยผมสะท้านเลยนะพี่เขาบอกผีโดนต่อยเต็มหน้าก็มมวนตีลังกาตกจากหลังคารถเสียงดังตุ๊บเหมือนของหนักๆเนี่ยตกลงกลางถนนเวลานั้นฝนหยุดตกแล้วนะฮะแต่ว่าฟ้ายังแลบแล บ, บ, บอยู่ก็เลยเหยียบเบรกรถให้หยุดขึ้นเบรกมือเปิดไฟสูงติดเครื่อง ก็เลยเดินลงไปจากรถเพื่อไปจัดการผีซึ่งอยู่ห่างจากรถประมาณ10เมตรนะคะก็มองดูผีก็ต้องแปลกใจที่ตอนนี้เนี่ยกลายเป็นคนค่ะนอนคว่ำหน้าอยู่เป็นผู้หญิงสาวผมยาวมากใส่ชุดนอนสีขาวไม่ใส่รองเท้านอนไม่ไหวติงพอเดินเข้าไปใกล้เธอประมาณ5เมตรเพื่อจะระบายโมโหที่มาหลอกทันใดนั้นก็ต้องหยุดเดินเพราะว่าเห็นเงาดาๆคล้ายคนแอบซ่อนอยู่หลังต้นไม้ บางเงาก็โผล่ออกมาค่ะมีอยู่20กว่าเงาและดูเหมือนว่าหากว่าพี่สราวุธทำอะไรผีตัวนั้นพวกเงาดําคงรุมแน่ๆ น, นะคะก็เลยยืนนิ่งอยู่สักอึดใจก็กลับมาขึ้นรถขับไปที่สุขโขทัยต่อไปก็เร่งเครื่องยนต์ได้ถึงร้อยร้ต่อชั่วโมงเลยนะคะคนไม่กลัวก็ไม่กลัวจริงๆนะคุณผู้ฟังแต่ว่าคนที่กลัวนี่คือแบบแม้กระทั่งความมืดเวลานอนปิดไฟอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้นะซึ่งบีก็มองเห็นเคยเห็นเพื่อนของบีอยู่คนหนึ่งเนี่ย นอนเนี่ยต้องเปิดไฟโอ้คุณผู้ฟังเวลาไปนอนกับมมนนะก็ต้องใช้ผ้าปิดตานอนถึงจะนอนหลับนะคะถ้าหากว่าไม่ใช้ผ้าปิดตานี่ยนอนไม่หลับแนะ่นอนนี่ขนาดห้องตัวเองบ้านตัวเองแท้แต่ระดับพิสลาวุธเนี่ยนะคะสามารถต่อยผีได้เนี่ยก็ถือว่าสุดยอดแล้วคนกลัวก็กลัวค่ะคนไม่กลัวก็ไม่กลัวจริงๆนะคะ นี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่คุณผู้ฟังทางบ้านส่งเข้ามาทาง f a c e b o o k แฟนเพจพระเจอผีนะคะคุณผู้ฟังอย่าลืมนะมีเรื่องราวแบบนี้จะน่ากลัวเป็นประสบการณ์ตรงหรือว่าเป็นเรื่องที่เคยได้ยินได้ฟังมาก็สามารถที่จะส่งมาให้บีเล่าให้กับคุณผู้ฟังท่านอื่นๆได้ฟังได้นะคะคุณพงษ์มีอาชีพขับรถรับจ้างเป็นรถประเภทรถบรรทุกสี่ล้อ รับจ้างขนของส่งของสัมภาระให้กับผู้ว่าจ้างทั่วไปลูกค้าส่วนใหญ่มักจะจ้างให้คุณพงษ์ขนของในการย้ายบ้านซะเป็นส่วนใหญ่นะคะก็จะอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครบ้างจังหวัดใกล้เคียงบ้างแล้วแต่โอกาสค่ะและด้วยเหตุนี้คุณพงษ์ต้องใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในรถกินในรถนอนในรถเป็นอย่างนี้มาเป็นเวลาหลายปีแล้วนะคะ มีอยู่ครั้งหนึ่งคุณพง์ได้พบเจอกับเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นขย่าขวัญ น, นั่นก็คือเมื่อราวกลางปีที่ผ่านมาตอนนั้นคุณพง์ได้รับการว่าจ้างให้ขับรถขนของไปยังจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งเป็นการย้ายกลับไปอยู่ภูมิลำเนาเดิมของลูกค้ารายหนึ่งค่ะหลังจากคุณพงศ์ขับรถไปส่งลูกค้าถึงอำเภอเดิมบางนางบวชเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็ตีรถเปล่ามุ่งหน้ากลับเข้าสู่กรุงเทพซึ่งขณะนั้นเป็นเวลาประมาณห้าทุ่มเศษบรรยากาศในค่ำคืนนั้นคุณพง์บอกว่าจําได้ดีเพราะว่ามันเป็นช่วงที่มืดแล้วก็เปลี่ยวซะจริงเพราะว่าบ้านลูกค้าที่ไปส่งนั้นอยู่ห่างจากตัวอำเภอออกไปเกือบ40กิโลเมตรค่ะถนนหนทางเป็นลูกรงังทอดเข้าสู่เชิงเขาลูกต่ตาๆสองทางขนาบด้วยคูน้า ซึ่งตามปกติแล้วนะคะคุณพง์บอกว่ า, าเขาเองไม่ใช่คนกลัวผีหรือว่ากลัวสิ่งที่ไม่มีตัวตนแต่ว่าเขาจะกลัวพวกมิจฉาชีพที่ดักป้นดักจี้กันมากกว่าดังนั้นการขับรถตอนขากลับออกจากบ้านลูกค้าในตอนกลางดึกแบบนั้นเขาเองก็ยอมรับนะครับว่าใจคอรู้สึกไม่ดีเหมือนกันเพราะว่าเดินทางมาต่างถิ่นก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรบ้าง ซึ่งขณะที่เขาขับรถมาเรื่อยๆด้วยความระมัดระวังอยู่นั่นเองค่ะสิ่งแปลกประหลาดอย่างหนึ่งก็ได้เกิดขึ้นก็คืออยู่ๆไฟหน้ารถซึ่งใช้สําหรับส่องสว่างทั้งสองดวงก็เกิดระเบิดแตกแล้วก็ดับวูบลงเฉยๆโดยไม่มีเหตุผลตอนแรกนะคะเขาก็ใจคอไม่ดีคิดว่ามีคนร้ายมาดักปลาไฟหน้ารถให้แตกเพื่อจะจี้ปล้น แต่พอหลังจากไฟแตกแล้วก็ดับวูบไปแล้วก็ไม่มีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นตามมาก็เลยทําให้คุณพงศ์รู้สึกสบายใจขึ้นได้เปราะหนึ่งนะคะที่ไม่มีเรื่องแร้ายๆเกิดขึ้นแต่ว่าถึงอย่างนั้นก็ตามก็ได้รับความยากลําบากในการขับรถโดยปราศจากไฟส่องนําทางในตอนค่าคืนที่มืดสนิทเช่นนี้เพราะว่าตลอดทางกว่าจะถึงถนนใหญ่นั้นค่ะทั้งสองข้างทางขนาบไปด้วยคูน้ํา ซึ่งถ้าหาตัวของคุณพงเองมองไม่เห็นทางแล้วก็เกิดผิดพลาดไปนั่นก็หมายถึงว่าเขาต้องลงไปจมอยู่ในคลองน้ำข้างทางเป็นอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็ความลึกของมันจะซักขนาดไหนตัวของคุณพงเองบอกว่าไม่อาจจะรู้ได้ เขาก็พยายามประคองขับรถไปเรื่อยๆแบบช้าๆนะคะจนกระทั่งเมื่อรู้สึกว่าคงไม่สามารถขับต่อไปได้อีกก็พยายามมองหาจุดที่มีไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อจะจอดรถรออยู่ข้างทางถ้าโชคดีหากมีรถใครผ่านมาสักคันหนึ่งจะได้ให้เขาช่วยขับนำทางไปจนกว่าจะถึงถนนใหญ่นะคะเกือบสองชั่วโมงก็ยังไม่มีรถผ่านมาสักคันหนึ่ง เวลาก็ดึกมากเข้าไปทุกทีก็เลยคิดว่าคงไม่มีใครผ่านมาทางนี้อีกแล้วก็เลยพยายามข่มตาให้หลับเพราะอย่างไรซะก็คงต้องรอให้สว่างซะก่อนถึงจะเดินทางต่อได้และในช่วงขณะที่คุณพงศ์กำลังเคลิ้มหลับไปนั่นเองค่ะก็รู้สึกตัวเหมือนกับมีคนมาขย่มรถจนมันสะเทือนยวบยาบไปทั้งคันคุณพง์สะดุ้งตื่นด้วยความตกใจขณะที่ยังคงโ ย, ยบยาบอยู่นะคะก็พยายามมองไปรอบๆรถ ไม่มีใครสักคนหนึ่งตัวของคุณพงเองบอกว่ารู้สึกขนลุกขึ้นมาทั้งตัวตั้งแต่หัวจรดเท้ารู้สึกหวาดกลัวขึ้นมาอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน แล้วก็รู้ในทันทีว่าคงโดนดีจากสิ่งที่มองไม่เห็นตัวตนเข้าแล้วแน่นอนแต่ว่าขณะนั้นนะคะก็ไม่รู้จริงๆว่าจะทำอย่างไรต่อไปก่อนที่คุณพงจะกลัวจนกลายเป็นบ้านในขณะนั้นโชคดีเหลือเกินที่เขาได้ยินเสียงเครื่องยนต์ของรถคันหนึ่งดังกระหึ่มแว่วมาให้ได้ยินทางด้านหลังรถที่เขาจอดนอนอยู่ เมื่อเหลือบไปดูก็ได้พบกับแสงจากดวงไฟหน้ารถคู่หนึ่งกำลังพุ่งตรงมายังจุดที่เขาจอดรถอยู่ก็เลยรีบสตาร์ทรถเพื่อที่หมายจะขับพุ่งตามท้ายรถคันนั้นไปในทันทีที่เขาผ่านมาถึงจะได้ไปให้พ้นพ้นจากเหตุการณ์บ้าๆที่กำลังเกิดขึ้นนี้สักทีเพราะว่าความกลัวขนาดนั้นมันพุ่งปราดเข้าสู่สมองแล้ว เพียงครู่หนึ่งค่ะรถคันที่คุณพงเฝ้าคอยมานานแสนนานก็ผ่านมาถึงจุดที่จอดรถอยู่คุณพงมองไปทางรถคันนั้นอย่างสายตาไม่กระพริบเนื่องจากว่าเป็นความหวังเดียวที่เหลืออยู่แต่ว่าเมื่อมองไปยังภายในรถของคันนั้นนะคะซึ่งก็เป็นรถกระบะบรรทุกคนมาประมาณ 4-5 หคนค่ะตรงบริเวณกระบะท้ายเล่นเอาคุณพงนีแทบช็อกตายไปทันทีเพราะว่าทุกคนที่นั่งมาในรถคันนั้นล้วนแล้วแต่เป็นลักษณะของซากศพ ที่มีบาดแผลฉกาดชกันแล้วก็แต่ละคนนะคะเสื้อผ้าขาดวิ่นน้ำเลือดน้ำหนองไหลชุ่มโชกบางคนนะคะหัวเปิดสมองทะลักบางคนแขนขาหักผิดรูปผิดร่างทุกคนจ้องมองมาทางคุณพงเป็นสายตาเดียวแล้วมันก็เป็นสาเหตุที่สาสมเหลือเกินที่จะทำให้เขาต้องร้องตะกน ล, ลั่นด้วยไม่อาจจะควบคุมสติให้ประคองอยู่ได้อีกต่อไป เขาหมดสติไปนานขนาดไหนก็ไม่สามารถที่จะทราบได้นะคะมารู้สึกตัวอีกครั้งเมื่อได้ยินเสียงปลุกเรียกให้ตื่นฟื้นคืนสติซึ่งเป็นเสียงของชายชาราที่ฟังดูอ่อนโยนเมื่อลืมตาขึ้นมานะคะก็ได้พบกับพระภิกษุสงสามถึงสรูปกำลังยืนห้อมล้อมรถของเขาอยู่ หลวงพ่อท่านได้เล่าให้คุณพงฟังบอกว่าเมื่อประมาณเดือนที่ผ่านมานี้เองได้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงขึ้นโดยมีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งเดินทางโดยรถกระบะไปเที่ยวงานที่ตัวอำเภอแต่เมื่อขับรถมาถึงทางแยกขึ้นถนนใหญ่ปรากฏว่ารถเบรกแตกกระทันหัน รถปิคอัคันนั้นเนี่ยก็เลยพุ่งขึ้นไปบนถนนใหญ่ซึ่งก็เป็นจังหวะเดียวกันกับรถ10ล้อที่ห่อมาด้วยความเร็วจึงพุ่งชนเข้าเต็มแรงค่ะส่งผลให้ตายหมู่กันทั้งคันรถ เมื่อคุณพงศ์ได้ยินแบบนี้แล้วนะคะก็รู้สึกขนลุกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับอาการหนาวสะท้านขึ้นมาเมื่อได้ยินเช่นนั้นมั่นใจเต็มร้อยเลยละค่ะว่าสิ่งที่เจอเมื่อคืนคงต้องเป็นวิญญาณชาวบ้านกลุ่มนี้แน่นอนเพราะว่าหลวงพ่อท่านบอกว่าเฮี้ยนเหลือหลายแล้วก็มีคนโดนแบบคุณพง์เนี่ยหลายรายแล้วด้วยนะคะ หมดเวลาของพระเจอผีประจำวันนี้แล้วล่ะค่ะขอบคุณสำหรับการติดตา ม, มารับฟังด้วยนะคะกลับมาเจอะเจอกันอีกครั้งในคลิปต่อไปอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์คลิปให้กับเราด้วยวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ